บทที่41อรถไฟยังต้องรอเมื่อท่านพระครูกลับถึงวัดก็พบนายหลอรออยู่แล้วมีเด็กชายฝาแฝดนั่งคุยอยู่ด้วยนับเป็นเรื่องแปลกประหลาดสำหรับท่านเพราะปกติแล้วเด็กทั้งสองจะห่วงเล่นและไม่นำพาต่อผู้ใดคงจะฝากเนื้อฝากตัวกับเจ้าหลอมั้งรู้แล้วนี่ว่าเราเป็นที่พึ่งไม่ได้อีกต่อไป คันทีที่ท่านก้าวเข้ามาในกุฏิสามีแม่ประยงก็วิ่งเข้ามากราบแทบเท้าพูดละล่มละลักว่าหลวงพี่อย่าไปเลยนะครับเป็นตายยังไงผมก็ไม่ยอมให้หลวงพี่ไปใครบอกเองละ ว, ว่าข้าจะไปเลยข้าจะไปนครศรีธรรมราชต่างหากสมพานวัยสียังมีแก่ใจพูดยั่วย้าวทั้งที่เวลาและโอกาสไม่อำนวย ท่านรู้ว่าในหล่อจะมาหาเพียงท่านนึกอยากให้เข้ามาเขาก็ต้องมาจะไปไหนผมก็ไม่ให้ไปทั้งนั้นผมไม่อยากให้หลวงพี่มรณาภาพไม่มีหลวงพี่เสร็จแล้วผมจะหันหน้าไปพึ่งใครนุมใหญ่บอกกล่าวอ่านี่เองห่วงตัวเองหลอกหรืนึกว่าห่วงข้าห่วงทั้งตัวเองทั้งหลวงพี่นั่นแหละ แล้วก็ห่วงญาติโยมด้วยไม่มีหลวงพี่พวกเขาจะไปพึ่งใครพึ่งตัวเองสิพระพุทธองค์ทรงสอนให้พึ่งตัวเองอัตติอัตโนนาโถโกหินาโทปรโรสิยาตนแลเป็นที่พึ่งของตนบุคคลอื่นใครเล่าที่จะเป็นที่พึ่งได้จําไว้ครับผมจะจําไว้จนกว่าจะลืม แต่เป็นตายยังไงผมก็ไม่ยอมให้หลวงพี่ไปนครศรีธรรมราชพูดเสียงหนักแน่นงั้นหรือข้าก็จะพูดอย่างที่เอ็งพูดนั่นแหละว่าเป็นตายยังไงข้าก็ต้องไปที่นครศรีธรรมราชมาลองดูซิว่าระหว่างเอ็งกับข้าใครจะแน่กว่ากันคนเป็นพระท้าทายผมมีบางอาจแข่งบารมีกับหลวงพี่หรอกครับ เอาเธอะในเมื่อหลวงพี่จะไปก็ช่างแต่ผมไม่ไปส่งหรอกนะเพราะผมไม่อยากให้หลวงพี่ไปเขาคิดว่าท่านพระครูจะให้เขาไปส่งข้อนั้นข้ารู้แต่เอ็งไม่ต้องห่วงข้าว่าจ้างรถนายโอไว้เรียบร้อยแล้วคำบอกกล่าวของท่านทำให้เด็กชายแดงนึกขึ้นได้จึงกราบเรียนว่าหลวงพ่อครับ ผมลืมบอกหลวงพ่อเมื่อตอนหลวงพ่อไปบินทบาตลุงอูเข้ามาหาและสั่งผมให้บอกหลวงพ่อว่าเขาไปส่งหลวงพ่อไม่ได้เมื่อคืนเขาฝันว่ารถคว่มขอหักตายเลยกลัวไม่กล้าไปอีกแล้วหรือเจ้าหมอนี่ทำให้ข้าเสียงานเสียการมาหลายครั้งทำไมเองไม่บอกข้าเสียตั้งแต่ตอนเช้า จะได้ไปว่าจ้างคนอื่นแทนท่านเล่นงานแฝดพี่ผมลืมครับเด็กชายสารภาพเสียงอ่อนหน้าจอยดูน่าสงสารผมไม่รับจ้างใครจะให้เท่าไหร่ผมก็ไม่รับนายหล่อพูด ล, ยลอยๆคิดว่าอย่างไรเสียเขาก็จะไม่ยอมให้ท่านไปขึ้นไปคุยกันข้างบนดีกว่า ข่ายืนจนเมื่อยขาแล้วไม่ได้นั่งพูดอย่างเองนี่พูดจบจึงเดินนำเขาไปยังชั้นบนแวะล้างเท้าที่ห้องน้ำใต้บันไดก่อนที่จะขึ้นนายหล่อจึงต้องทำตามท่านพระครูหยิบสิ่งหนึ่งออกมาจาัดย่ามส่งให้เขา ช่วยเอาสิ่งนี้ไปขายนำเงินมาส่งเสียเจ้าคู่แฝดเรียนหนังสือด้วยจะขายให้คนอื่นหรือว่าจะซื้อไว้เองก็ตามใจในหลอรับถ่ายจากมือท่านแล้วแก้ออกดูสิ่งที่อยู่ในนั้นนี่มันแหวนเพชรนี่นาโอ้โหสวยเสียด้วยของจริงหรือของปลอมครับหลวงพี่จริงหรือปลอมก็ลองไปถามร้านเพชรเขาดู ข้าไม่ใช่เสี่ยร้านเพชรจะได้รู้และหลวงพี่เอามาจากไหนครับมีคนเขาให้ไว้นานแล้วเองไม่ต้องมาซักไซายไหล่เลียงเอาละข้าฝากดูแลเจ้าขาวกับเจ้าแดงด้วยมันมาดูแลมันบ้างนี่ข้าก็บอกให้มันขยันทำกรรมฐานเพราะดูหน้าแล้วอายุไม่ยืนทั้งคู่นั่นแหละคนที่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะอายุสั้นอย่างข้านี่ไง วันนี้ก็ต้องตายแล้วถ้าเองอยากอายุยืนก็ต้องงดเว้นการทำชีวิตให้ตกล่วงภาษาพระเรียกว่าปานาติบาตคราวนี้ท่านพูดเป็นการเป็นงานอย่างหลวงพี่ผมพอจะเข้าใจเพราะหลวงพี่เคยเล่าให้ผมฟังว่าได้สร้างเวรกรรมไว้มากในสมัยเด็กๆกรรมก็เลยตามมาทันตอนโต แต่เจ้าสองคนผมไม่เห็นว่ามันจะสร้างกรรมทำเวรกับใครทำไมถึงต้องมารับกรรมไม่ยุติธรรมเลยนะครับนายหล่อพูดเป็นการเป็นงานเช่นกันยุติธรรมสิถ้ากรรมไม่ยุติธรรมเสียแล้วในโลกนี้จะมีอะไรยุติธรรมละ่ะที่เจ้าแดงกับเจ้าขาวจะต้องตายก่อนถึงวัยอันสมควรก็เพราะมีกรรมข้อปาณาติบาติดตัวมาแต่ชาติก่อน เหมือนคนที่มีหนี้สินติดตัวมาจากชาติที่แล้วถึงชาตินี้ยังไม่เคยยืมเงินใครแต่ก็มีหนี้เก่าติดตัวมาให้ต้องชดใช้ชาติก่อนผมมองไม่เห็นเห็นแต่ชาตินี้ก็เลยไม่อาจจะเชื่อเรื่องกรรมเก่าเพราะมันพิสูจน์ไม่ได้ที่เอ็งพูดมานั่นน่ะจัดเข้ามิจฉาทิฐิเลยนะอันตรายมากรู้ไหมพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า ผู้ที่มีความเห็นผิดนั้นมีนรกเป็นที่ไปแค่เห็นผิดก็ต้องตกนรกด้วยหรอครับผมยังไม่ทันทำความชั่วนี่ครับสามีแม่ปรโยงรู้สึกกังขาแต่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วไม่ทำชั่วนั้นไม่มีก็แปลว่าคนที่เห็นผิดต้องทำชั่วทุกคนเมื่อเขาทำชั่วก็มีนรกเป็นที่ไป เอาละเอ็ไม่ต้องมาเถียงข้าข้าไม่มีเวลาเถียงกับใครอีกแล้วต้องเตรียมตัวเข้ากรุงเทพและหลวงพี่จะไปยังไงถามยังอดเป็นห่วงไม่ได้ไปยังไงก็เรื่องของข้าในเมื่อเองแรงน้ำใจไม่ยอมไปส่งข้าก็จะหาทางไปจนได้นั่นแหละหลวงพี่จะหอบไปหรอครับผมรู้ว่าหลวงพี่ทำอะไรได้ทุกอย่าง นึกอยากจะเหาะก็สามารถเหาะได้เขาพูดอย่างเชื่อมั่นว่าท่านทำได้จริงข้าไม่ต้องการอวดตริมนุษธรรมตั้งแต่บวชมายังไม่เคยประพฤติผิดพระวินยัยเรื่องอะไรจะมาผิดเอาตอนตายท่านนึกถึงปลอดก้อนนั้นอันเป็นสมบัติตกทอดมาจากโยมยายที่หลงวงพ่อช้างทำพิธีหุงมันขึ้นเพื่อจะอม แล้วเหาะไปส่งแขกที่ป่าหิ ม, มาพานหากท่านเจริญเตโชกสินจนประอดหวีดแล้วจึงองมก็จะสามารถเหาะได้แต่ท่านไม่ทำเพราะพระพุทธองค์สอนสาวกมิให้ยึดติดในเรื่องปฏิหารเพราะจะทำให้มัวเมาหลงเพลินจะลืมจุดหมายที่แท้จริงของชีวิตหลวงพี่ครับผมขอไปด้วยได้ไหม ผมอยากไปรับใช้ใกล้ชิดหลวงพี่ในวาระสุดท้ายเขาขออนุญาตได้ข้าให้เองไปด้วยจนถึงหัวลำโพงนะเองจะได้รับใช้ใกล้ชิดข้ายอย่างแน่นอนถือโอกาสไหว้าหวานผมหมายถึงไปนครศรีนารมราชนะครับไม่ได้หรอกเพราะว่าเองยังมีภาระต้องรับผิดชอบเอาละ ถ้าเองนับถือค่าจริงก็ไปส่งสถานีหัวลำโพงถ้าไม่นับถือก็ไม่ว่ากันข้าจะต้องรีบแล้วไม่มีเวลามาต่อลอะต่อเทียงกับเองอีกต่อไปครับถ้าเช่นนั้นผมจะไปส่งที่หัวลำโพงให้เจ้าขาวกับเจ้าแดงนั่งไปด้วยจะได้เป็นเพื่อนกันตอนขากลับงั้นก็ตามใจเองไปตกลงกันเองก็แล้วกันครับ ผมจะลงไปบอกมันแล้วรออยู่ข้างล่างลงพี่จะได้สงน้ำและแต่งองค์ทรงเครื่องเขากราบสามครั้งแล้วลงไปข้างล่างเพื่อบอกกล่าวเจ้าคู่แฝดเจ้าขาวกับเจ้าแดงดีใจจนเนื้อเต้นที่จะได้ไปบางกอกนึกรักนายหล่อเรากับเขาเป็นพ่อบังเกิดเกล้าสันชาตยานการอยู่รอดทำให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้นบ่ายสามโมงครึ่ง นายหล่อจึงได้เลิอกออกรถท่านพระครูนั่งคู่กับเขาส่วนเด็กชายคู่แฝดนั่งหลังสามีแม่ปรายงรู้สึกสับสนไม่รู้ว่าสิ่งที่ตนทําอยู่ขณะนี้จะได้บุญหรือได้บาปกันแน่เขามาส่งท่านด้วยต้องการรับใช้ใกล้ชิดสิ่งนี้เป็นบุญแต่ไม่รู้ว่าท่านจะต้องมอรณะภาพเท่ากับได้ส่งท่านไปตายและเขาก็จะได้บาป สาธุขอให้ท่านปลอดภัยและได้กลับมาสู่วัดป่ามะม่วงอีกครั้งเราจะได้ไม่าบาปนุงใหญ่ภาวนาทำไมนั่งนิ่งอย่างนั้นไม่มีอะไรสั่งเสียก็สั่งเสียเดี๋ยวจะไม่ได้เห็นกันอีกแล้ว ถ้าคิดว่าจะไปคุยกันในชาติหน้าข้าก็เสียใจด้วยเพราะข้าจะไม่ขอเกิดมาเป็นมนุษย์อีกแล้วท่านพระครูเริ่มต้นยั่วเยาในหล่อมิใส่ใจหากพูดเป็นงานเป็นการว่าหลวงพี่เป็นพยานนะครับนายหล่อขอตั้งจิตอธิษฐานและขอบนบานสารกล่าวต่อเทพไท้ายเทวาตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกว่า ถ้าหลวงพี่ของผมกลับมาในลักษณะยังมีลมหายใจผมจะบวชหนึ่งพรรษาเป็นการแก้บนแต่ถ้าหลวงพี่เป็นศพกลับมานอกจากไม่บวชแล้วผมจะไม่นับถือพระอีกเลยจนตลอดชีวิตมิจฉาทิฏฐิอีกแล้วนะเองจะคิดจะพูดอะไรให้ไกลๆนรกหน่อยไม่ได้หรือนี่คาดเตือนด้วยความหวังดีนะท่านพระครูพูดเสียงตาหนิ ด้วยไม่ต้องการให้เขาเกิดความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิตรงไหนครับเขาไม่เข้าใจตรงที่เองไม่นับถือพระนะสิเองรู้ไหมตอนก่อนบวชข้าเกลียดพระยังกับอะไรคิดว่าพระเลวเหมือนกันหมดแค่เห็นพระไม่ดีเพียงรูปข้าก็เมาว่าท่านเลวหมดมาบวชแล้วถึงได้รู้ว่าพระดีๆก็ยังมีอีกมาก เพราะฉะนั้นเองต้องรู้จักแยกแยะถอนคำพูดเสียรับถอนก็ถอนคนอย่างผมกลัวเหมือนกันใช่ว่าไม่กลัวงั้นหรือข้านึกว่าคนอย่างเองกลัวไม่เป็นเสอีกท่านเริ่มยั่วแหมหลวงพี่แล้วก็เห็นผมเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาไปได้นุ่มใหญ่ตัดพอและจึงพูดต่ออีกว่าจริงๆนนะครับหลวงพี่ ถ้าหลวงพี่กลับมาวัดป่ามะม่วงอย่างปลอดภัยผมจะยอมโกนหัวบวชหนึ่งพันษาถึงขนาดนั้นเชียวรืแต่เองก็ต้องรักษาสัจจานาอย่าให้เหมือนนายอูซึ่งข้าดูหน้าแล้วคงต้องรดความตายสักวันถ้าไม่ยอมบวชมีหวังต้องตายอย่างแน่นอนเพราะเสียสัจจะแกเสียสัจจะเรื่องอะไรครับ ก็เรื่องบวชเนี่ยสิเขาเคยประสบอุบัติเหตุทางเรือกำลังจะจมน้ำตายก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าเขาเป็นห่วงแม่และเมียตอนนั้นเมียกำลังท้องลูกคนแรกเลยบ่นว่าถ้ารอดตายจะบวชหนึ่งพันสาก็ปรากฏว่ารอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์ทั้งที่คนอื่นๆพากันจมน้ำตายหมดแต่จนแล้วจนรอดเขาก็ยังไม่ยอมบวชแก้บน กระทั่งโยมาบาลมาเข้าฝันขูว่าถ้าไม่บวชจะต้องรถความคอหักตายเขาเลยกลัวแต่ก็ยังไม่ยอมบวชวันไหนฝันร้ายก็จะไม่ยอมขับรถไม่ว่าจะตกปากรับคำกับใครเอาไว้แล้วก็แล้วไม่ยอมไปทั้งนั้นข้าเตือนหลายครั้งแล้วว่าให้บวชก็ยังไม่ยอมบวชก็เลยไม่รู้จะช่วยยังไง กรรมของใครก็ของมันคนนั้นท่านเล่าเรื่องในอูให้ในหล่อฟังแต่สำหรับผมไม่ทำอย่างนั้นแน่เพราะผมเป็นคนรักสัจจะพูดไวอย่างไรต้องทำอย่างนั้นจะไม่ยอมให้เสียชื่อในหลอ่อที่มีพ่อชื่อในเหลาหนมยายรู้สึกผ่อนคลายและได้เกิดความเชื่อมั่นอย่างประหลาดว่าหลวงพี่ของเขาจะต้องรอดกลับมา จนถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นท่านก็ตกลงไปในเหวพร้อมกับรถของเขาไม่น่าว่าจะรอดมาได้อย่างอัศจรรย์อย่างไรเสียท่านก็ไม่มรณาภาพเขามั่นใจเช่นนั้นเมื่อรถแล่นมาถึงรังสิท์ก็ติดขบวนยาวเหยียดนายหล่อเห็นผิดสังเกตจึงสั่งชายฝาแฝดให้ไปสอดแนมสักพักเด็กทั้งสองก็มารายงานรถชนกันครับ คนตายคนเจ็บนอนกันเกลื่นถนนเลยเด็กชายทำท่าสยดสยองแย่ yeah, แล้วสิแล้วข้าจะไปทันรถไฟหรือท่านพระครูวิตกสาธุขอให้หลวงพ่อตกรถจะได้ไม่ต้องไปเครือหัดยกมือขึ้นสาธุบัญชพจิตนั้นไม่พูดว่าอะไรหากนั่นขัดสมาธิตั้งจิตแน่วแน่แล้วแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ไม่มีประมาณ พร้อมอธิษฐานขอให้ท่านไปทันรถไฟในค่ำวันนี้อีกประมาณหนึ่งชั่วโมงจะได้เวลารถไฟออกจากสถานีหัวลำโพงอย่างไรเสียท่านก็จะไม่ตกรถนายหล่อชนะพระครูเจริญไปไปได้เวลาหกโมงเย็นรถไฟขบวนกรุงเทพนครศรีธรรมราชกำลังจะออกจากสถานีก็เกิดเครื่องขัดข้องกระทันหัน ทำให้รถวิ่งไม่ได้พนักงานคนรถและช่างเครื่องช่วยกันค้นหาสาเหตุแต่หาเท่าไรก็ไม่พบในที่สุดจึงพากันนั่งกอดเข่าเจ้าจุกเพราะไม่รู้จะทำประการใดพันตำรวจโทชนจินตนารู้สึกกังวลที่ไม่เห็นท่านพระครูมาเขาไม่คิดว่าท่านจะเปลี่ยนใจเพราะท่านเป็นคนรักษาสัจจะ เมื่อได้เวลารถออกเขาก็ยิ่งกังวลมากขึ้นพรันได้ยินเสียงประกาศว่ารถไฟเสียเวลาก็รู้สึกใจชื้นและมีความหวังที่จะรอต่อไปป่านนี้ทำไมหลวงพ่อยังมาไม่ถึงหรือว่าท่านเกิดอาภาตหนักจนมาไม่ไหวคุณนายนงนาจปรารกกับสามีด้วยท่าทางกังวลไม่แพ้กันนั่นสิ พ่อก็เป็นห่วงท่านแต่ก็มั่นใจว่าท่านต้องมานายตำรวจบอกภรรยาอายุอ่อนกว่าเขาหนึ่งรอบหนูก็มั่นใจว่าท่านต้องมานอกจากจะอาพาจนมาไม่ไหวเท่านั้นนี่ก็เลยเวลาไปเกือบยี่สิบนาทีแล้วนะเป็นไปได้ไหมว่าที่รถไฟเสียเวลาเพราะหลวมพ่อท่านโดนบัณานให้เป็นไปหนูก็คิดอยู่เหมือนกัน หลวงพ่อท่านมีบุญญาธิการนึกคิดสิ่งใดก็ได้สมความปรารถนาในสิ่งนั้นนี่ถ้าพ่อไม่ได้ประสบมากับตัวเองคงไม่เชื่อนั่นไงท่านเดินทางมานั่นแล้วเขาพูดอย่างยินดีพลางชวนภรรยาออกไปรับขนาดนั้นเลยเวลาออกไปย0สิบนาทีพอดีอุบัติเหตุรถชนกันนึกว่าจะมาไม่ทันซช้แล้วท่านบอกสิทธิ์วยใกล้ห้าสิบ นายหลอกกับเด็กชายคู่แฝดทำความเคารพในตำรวจบังเอิญรถไฟเสียเวลาผมกับคุณนงนาศกำลังสงสัยว่าเป็นการโดนบันดาลของหลวงพ่อเห็นอัตมาเป็นเทพไปแล้วหรือไงท่านถามยิ้มยิ้มดิฉันเห็นหลวงพ่อเป็นยิ่งกว่าเทพอีกค่ะคุณนายนงนาศว่าหลวงพ่อครับผมถามจริงๆเธอ ที่รถไฟเสียเวลาเนี่ยเพราะหลวงพ่อใช่ไหมครับนายตำรวจถามตรงไปตรงมาไม่รู้สีอัตมาแค่แผ่เมตตาและอธิษฐานขอให้ท่านรถไฟท่านพลกครูตอบเลี่ยงเลี่ยงเพราะถ้ายอมรับก็จะเป็นการอวดอุตริมนุ ษ, ษธรรมแต่ถ้าปฏิเสธก็จะเข้าข่ายมุสาวาดแสดงว่าที่เราสงสัยนั้นไม่ผิด ภรยาในตำรวจพูดยิ้มยิ้มนิมนต์ขึ้นรถเถอะครับผมจองตัวนอนชั้นหนึ่งให้ท่านส่วนผมไปรถนอนชั้นสองซึ่งอยู่คนละโบกี้แต่ผมจะให้จ่าบำรุงกับคุณนองนาดอยู่โบกี้เดียวกับท่านเพื่อจะได้คอยรับใช้เอาละเองพากันกลับไปได้แล้วขอบใจนะที่มาส่งข้าท่านพูดกับนายหลอ่อ แเด็กชายายฝท่านครับผมฝากดูแลหลวงพี่ด้วยในหลอฝากฝังหลวงพี่รู้สึกใจคอหายจนอยากจะร้องไห้เด็กฝาแฝดทำตาแดงแดงด้วยรู้ว่าจะไม่ได้พบหลวงพ่ออีกต่อไป คนทั้งสามจึงจากท่านมาด้วยหัวใจหดหูครั้นเดินทางมาถึงรถนายหล่อจึงถามขึ้นว่าเองสองคนอยากเที่ยวบางกอกไหมคืนนี้เราคร้างที่นี่ก็แล้วกันเดี๋ยวข้าจะพาไปพักที่โรงแรมแถวนี้แหละพรุ่งนี้เช้าจะพาไปเที่ยวสนามหลวงดีจังเลยเด็กชายทั้งสองพูดขึ้นพร้อมกัน เองสองคนรู้ไหมว่าข้าทำไมถึงไม่อยากกรับตอนกลางคืนเพราะลุงอยากให้ผมกับน้องได้เที่ยวบางก อ, อกใช่ไหมครับเด็กชายแดงตอบและถามในเวลาเดียวกันถูกแล้วสามีแม่ปรโยงโกหกหน้าตาเฉยเหตุผลที่แท้จริงที่ทำให้เขาไม่กล้าขับรถกลับในยามค่ำคืนก็คือเขากลัวผี ได้ยินมาว่าผีตายโหงนั้นดุอย่าบอกใครภาพคนนอนตายเกลื่อนถนนยังตราตรึงอยู่ในหัวใจเขากลัวผีหลอกยิ่งเป็นผีตายโหงด้วยแล้วขอไกลร้อยโยอดพันโยอดเลยเชียว